ตั้งเปิดเผยให้หมูสัตว์เหล่าอื่นได้ตรัสรู้ตามหมูสัตว์ที่ปรัสรู้ตามเรียกว่าภาษาเวกภาสาเ ว, ก, าวกที่พระองค์พาข้ามจากขั้วละตะทุกแ์แล้วเราทั้งหลายก็มาขอมากถ้ากลับไปนี่จะต้องอ่านพระไตไปดกเข้าใจมากกว่าเดิมอีกอันนั้นยังไม่ได้รับปักเดี๋ยวไปพิจารณาดูอีกครั้งกันอะสะรุปว่าวันนี้สนทนาเรื่องอะไรกันดีกลางโฉนดกัน ใครอยากจะสนทนาเรื่องอะไรไหมที่มาเชตาวันเนี่ยเสนอได้แต่รับอุตุเป็นต้นในวัฏฏ์เชตานนมาเชตาวันแล้วตาลบให้เราจําแม่นขึ้นอันที่จริงที่ที่ขอม า, มาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ากลับไปครั้งนี้จะอ่านพระไตรปิฎกได้เข้าใจมากกว่าเดิมอันนี้คือกำไรที่เราหวังไว้เนี่ยนะแพงเกําไรสูงมากันถ้ากลับไปนี่จะต้องอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจมากกว่าเดิมอีกอันนั้นยังไม่ได้รับปัง มาเดี๋ยวไปพิจารณาดูอีกครั้งกัอนอ่าสรุปว่ามานี้สนทนาเรื่องอะไรกันดีให้ต่างโฉนดกันใครอยากไปสนทนาเรื่องอะไรไหมที่มาเชตาวันเนี่ยเสนอได้แต่รับสนองหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะคุณป้าสุรีตป็นไงมาเชตาวันแล้วตารบจะทํำยังไงบ้างอยากทราบเรื่องปริญญาให้ทองแท้เนี่ยคุยหน้าดำค่าเครียดมาหน้าห้องเมื่อกี้กับปริญญานี่แหละจะผ่านให้ดจะให้ทูกการอธิบายให้ฟังว่าปริญญาเป็นยังไงผู้ ก, การขึ้นมาปริญญาเป็นยังไง ผมก็กําลังจะเรียนอยู่นะเอ่ยเรื่องปริญญานี่ครับเป็นเรื่องของการอบรมเจริญภาวนาวิปัสนาภาวนานี่ครับก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับก็ยอมรับว่ายากแม้ว่าจะพอเข้าใจโครงสร้างบ้างนะครับแต่ว่าวิธีการอบรมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายเลยดันั้นก็คิดว่าคงจะพอรู้โครงสร้างแล้วก็หลักการ ส่วนวิธีการเจริญเนี่ยซึ่งจริงแล้วสติปัฏฐานที่พระอาจารย์สมบัติสแสดงเนี่ยนะครับมีซีดีแล้วก็มีเทปเนี่ยคิดว่าถ้าฟังหมดนี้ก็ต้องใช้เวลานานมากซึ่งอาจารย์สมบัตินี้สอนรูกสึกกี่ปีนะครับสองปีนะครับสองปีสาหรับสติปัฏฐานแล้วถ้าฟังหมดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเจริญตามนั้นได้หรือเปล่า แต่ว่าคิดว่าให้อาจารย์เริ่มต้นนะครับว่าการที่จะอบรมปริญญาเนี่ยจะต้องมีหลักการหรือว่ามีข้อมูลอะไรบ้างครับสำหรับผู้คิดที่จะวางแผนเริ่มต้นในการเจริญปริญญานะครับเพราะว่าก็คิดว่าไม่ง่ายนะครับอย่างไปเรียนวิสุทธิมรรครู้ว่ามียาตะปริญญาธีรณปริญญาพาหณปริญญาเนี่ย แต่ว่าไอ้ข้อมูลที่จะมาทําปริญญา ม, มันก็รู้สึกว่ามากเหลือเกินวิธีการในการที่จะมาตรึกในการที่จะม า, าคล้ายครวนพิจารณาอีกเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงไม่ได้อาศัยพระพิธรรมอย่างเดียวพระสูตรนี่ก็เป็นแนวทางเป็นวิธีการในการที่จะไอ้แง่คิดโดยในยะต่างๆไม่ใราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ขอเรียนถามพิสุทธิห้ามคามัคคย า, าณทัศนวิสุทธิหกปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิสุดท้ายก็ญ <ส verses. S 2> าณทัศนวิสุทธิถามท่านอาจารย์ทีหลังเพื่อจะได้เจริญได้ถูกต้องถามโดยหลักการหรือว่าโดยการเจริญคือถ้าโดยหลักการเนี่ยนะโดยหลักการญาตะปริญญาคืออะไร<ว>เอางี้ก่อนนะว่าถ้าเทียบโดยวิสุทธิเจ็ดนะถ้ากล่าวตามแนววิสุทธิเจ็ดนั้น วิสุทธิเจประกอบไปด้วยหนึ่งสีลวิสุทธิ2จิตตวิสุทธิสทิฏฐิวิสุทธิ4กังขาวิตรณวิสุทธิ5มัคคามัคคยาณทัศนวิสุทธิหกปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิสุดท้ายก็ญาณทัศนวิสุทธิคำถามว่าปริญญาสามนั่นคืออะไรคือยาอทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิและ มขามคญาณทัศ น, นวิสุทธิพร้อมด้วยปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิอันคำว่าปริญญานีอ่อมวิสุทธิข้อที่สามสี่ห้าหกเนี่ย น, นะนั่นแหละคือถ้าถ้าพูดโดยวิสุทธิเจ็ดนะถ้าพูดโดยวิปัสนาญาณก็คือสังขารปริเฉทญาณหรือที่เรารู้กันว่า น, นามรูปปริเฉทญาณจนถึงอนุโลมญาณเนี่ย น, นะถ้าดาลำลำดับวิปัสนาญาณนะจนถึงนั่นหรือถ้ากล่าวแบบ อุปนิสาสูตรก็คือยาธาภูตย า, านัศนะกับดิพิธ า, านะก็อยู่สองคำนี้เท่าเนี้อันนี้คือโดยโดยโครงสร้างโดยการเชื่อมโยงไปหาเรื่องอื่นๆทีนี้ถ้าโดยวิธีการที่อัตถกถาสั่งไ้แห่งวางไว้ก็คือยาตาปริญญาคืออะไรคือการรู้ลักษณะที่จตุกะเปล่าสภาพธรรมทั้งหมดนนะการพิจารณาทุกอย่างโดยลักณะที่จตุกะ ตรีระปริญญาคืออะไรตรีระปริญญาคือการพิจารณาสิ่งที่ประกอบด้วยลักษณะที่จตุ ก, การนี่แหละคูณโต่สี่สิบสองนะนะคูณอันนี้จะโตทุ ก, กโตโดย4ี่สิบสองถามว่าปหานะปริญญาคืออะไรก็เอาไอ้ตัวลักษณะที่จตุ ก, การนี่แหละทุกตัวคูณอนุปัสนาเจ็ดอันนี้ยหลักการก็มีเท่านี้แหละถ้าถ้าจะเอาตัวหลักการนะทีนี้ถ้าโดยการเจริญโอ้โหในเรื่องใหญ่ พอพูดถึงวิธีการเจริญจริงๆเนี่ยพอมองไปลืมต่ายะไม่ได้ก็เจริญไม่ได้เหมือนอย่างว่าเจริญเมตตาเนี่ยนะแล้วก็รู้ว่าคิดให้คนอื่นมีความสุขใช่ไหมคิดให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญนะอเวราโหตุอย่าได้เบียดเบียนกันนะอย่าทะเลาะ ก, กันนะสุขิตาโหตุให้มีความถาที่สุขีทีขอมาเองก็ยังตั้งตนไว้ในฐานะผู้ศึกษาฟังดูแล้วไม่อยากแต่ถ้าลองดูเนี่ยนะมีอะไรที่จะต้องเรียนอีกมาก และก็ต้องที่สําคัญก็คือต้องจัดสปายะให้ตัวเองให้ได้ถ้าจัดไม่ได้เจริญไม่ได้หรอกที่เจรณามไม่ได้หรอกถึงรู้ถึ ง, ถงทั้งรู้ก็รู้อยู่แต่ถ้าจัดสปายะไม่ได้ก็เจริญไม่ได้เหมือนอย่างว่าเจริญเมตตาเนี่ยนะเราก็รู้ว่าคิดให้คนอื่นมีความสุขใช่ไหมคิดไห้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญนะอเวราโหตุอย่าได้เบียดเบียนกันนะอย่าทะเลาะกันนะสุขิตาโหตุให้มีความสุขกันนะสุขีทีขายุโกภวามีความสุขมีอายุยืนกันนะ คิดอย่างนี้ยากไหมฟังดูแล้วไม่ยากแต่ถ้าลองทะเลาะกันเรื่องกับข้าวถ้วยเดียวดูเอาเอาเวลาโหนตูวอัพยาปชาโหนตูวมันไม่ค่อยไปแล้วค่ะเนี้ยเออจริงๆพอไม่ได้สไตา์ยัเจริญว่างไงอ่มัน ม, มันนี่ยากการทําปริญญาก็ลักษณะเดียวกันโดยการฟังเป็นต้นนี่ไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่แต่ถ้าไปพิจารณาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าเราทั้งหลายมีเครื่องบรรทอนอยู่เยอะเนี่ยนะอะไรนะ ตัวสกัดกําลังเนี่ยนะเยอะตัวสกัดกําลังคืออะไรนิวรห้ามันตัวสกัดกําลังมากมนะเนะ่พอคิดไปเข้าคิดมาคิดไปพี่จะทําปริญญาไปเอากามาฉันทะเข้ามาอีกแล้วพอพิจารณาจนสงบการมาฉันทะอัพยาบาทเข้ามาอีกแล้วพอเริ่มจะสงบพยาบาทดันง่วงอีก <laughs> นอนได้เวลาพักผลล่อนแล้วเของกันตื่นขึ้นมาเดือดร้อนว่าทําไมปล่อยเวลาให้มันผ่านไปอุทาจาักกุาากุาจากักเกิดอีก เ, อเราทําถูกหรือเปล่าวัาเนี้วิจิกิจช้าก็ตามไมา่เหงอนะเอาไงดีหาเพื่อนคุยดีกว่าก็เลยยาวเลยกัน <laughs> แล้วเอาเขาชีวิตจริงๆอะเดินไม่ถูกเหมือนกันนะมันจะเอาอยัางไงเนี่ยนะแต่ตอนฟังเนี่ไม่ยากไม่ยากนะทันก็อันนี้แหละที่ทําให้เห็นเลยว่าการศึกษาพระธรรมนั้น คือเมื่อก่อนเนี่ยเขามาก็ว่ามันไม่ยากจริงๆเลยจริงๆแล้วเขามาไม่มีความรู้สึกว่ายากนานมาแล้วตอนนี้เทําไมมันดูยากขึ้นยากขึ้นนะมันน่าจะง่ายขึ้นไปทุกวันทุกวันใช่ไหมแต่นี้เรื่องเห็นเออยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นยิ่งอะไรนะยิ่งต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากด้วยยิ่งเห็นว่ามันยากขึ้นเพิ่ม <laughs> สัตว์โลกมีอัจฉยาสายมีจริตเป็นอนเนกจริงๆทางการทําปริญญาเนี่ยนะถ้าว่า ทว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยขอมาอยากให้เอาว่าเอาพระสูตรใดสูตรหนึ่งที่ตัวเองมีศรัทธาเนี่ยเป็นหลักแล้วทําความเข้าใจในสูตรนั้นให้เพียงพอเอาสูตรนั้นเข้าเป็นเมตตสูตรเอาติกะมาติกาเป็นต้นเป็นหลักเอาปฏิสัมพิทาบ้างเนติปกรณ์ด้วยนะโอ้หลายเรื่องเลยเป็นหลักเลยนะสรุปแล้เอาพระไตรปิฎกเป็นหลักว่างนะนั่นนะเพราะอะไรเพราะให้คนอื่นเป็นหลักอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะ หมายก็ว่าเอาเอาประจำใจของเราเป็นหลักเช่นสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้อย่างเช่นของผู้การก็ถืออะไรสัตตถฐานสูตรกัดชักกัดสูตรเป็นหลักอย่างเงี้ยของแล้วของอาตมาล่ะของมาถือเอาอาทิตตปริยัสูตรอนาตารักษณะสูตรเอาธำมาจากกัปปวัตนสูตรเอาโลกันนิโรธสูตรเอาเมตสูตรเอาติกะมาติกาเป็นต้นเป็นหลัก เอาปฏิสามิทาบ้างเนติปรกรณ์ด้วยนะโอ้หลายเรื่องเลยเป็นหลักเลยนะสรุปแล้วเอาพระไตรปิฎกเป็นหลักวนะนั่นะน ะ, พออะเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนมากมันก็เลยก็เลยเอาสูตรใดสูตรหนึ่งจริงๆเป็นหลักก็ค่อนข้างยากทีนี้ถ้าเราเอาสูตรใดสูตรหนึ่งเป็นหลักเนี่ยนะเพราะว่าพระธรรมทุกสูตรเนี่ยคือคือทำที่สอนหรือทำที่ชี้แนวแห่งโลกุตระทุกสูตรนะชี้แนวแห่งโลกุตระแต่ถ้าเห็นโลกุตระแล้วจะต้องไม่ขัดกันเอง ปัญหาถ้าขัดกันเองก็แสดงว่ามีมีข้อที่ที่ผิดพลาดอยู่นี่ในการทําปริญญาเนี่ยบางคนเนี่ยถนัดที่จะพิจารณาปรยรูปสารูปบางคนก็ถนัดที่จะพิจารณาขันห้าบางคนถนัดที่จะพิจารณาอายตนะสิบสองบางคนถนัดที่จะพิจารณาท่าสิบแปดบางคนถนัดที่จะพิจารณาอินทรีย์บางคนถนัดปฏิจจสมุป บ, บาทบางคนถนัดอริยสัพเนี่นะ ทีนี้ของเราทั้งหลายมาอยู่ในสังคมที่เรียกว่าชอบกันคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างแล้วมารวมกันเข้าทีนี้มันจะปรับเข้าหากันมันก็เลยมันก็เลยเรื่องเยอะมากเนี่ยนะก็เลยเรื่องเยอะเพราะต้องไปเรียนทุกเรื่องนู่นแหละแต่ก็หลายคนก็รู้สึกไม่ในไม่รีบอะไรก็อยากจัดทรงพระไตรปิฎกอยู่แล้วใช่ไหมบางคนก็อยากทรงพระไตรปิฎกยมอ้วนว่าไงเนะี่ยโอเอาจริงเอายอมอ้วนเขาตั้งคงตานไว้ใหญ่เหมือนกันนะนะเนี่ยคุณสุจินก็ไม่ธรรมดาคนอื่นก็ไม่เบาสรุปว่า อย่างนี้แหละเอานี้ควรเจริญปริญญาเนี่ยอยากจะเล่าวิธีทําปริญญาแบบคัชนียสูตรให้ฟังดีกว่านะสรุปว่าคุณเสนอได้แต่ของมาสนองเรื่องนี้ก็แล้วกัน <c oughs> จะเอาคัชนียสูตรมาซึ่งวิธีทําปริญญาอีกวิธีหนึ่งสรุปว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพ่องตรัสสร้างเจดีย์ห้าเหลี่ยมเนี่ยนะสร้างเจดีย์ห้าเหลี่ยมแล้วถ้าเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งยาวเกินไปเนี่ยจะเป็นยังไง ก็เป็นเจดีเบี้ยวนะไม่ใช่เจดีห้าเหลี่ยมละนี่ก็เหมือนกันธรรมะทั้งหมดเนี่ยการการพิจารณาหรือการนิ้ควรทำให้แจ้งทำเหล่านิ้ควรเจริญอันนี้คือหลักการนะหลักการเพราะฉะนั้นถ้าแม้กระทั่งในหลักการห้าอย่างนี้ถ้าถือเอาสับใดสับหนึ่งจนเกินไปก็ก็เสียหายอ น, นะก็เสียหายนะในในบรรดาห้าคำนี้นะ ถ้าถือคำใดคำหนึ่งจนขาดความสมดุลก็เสียหายเหมือนบ้านที่อะไรนะเหมือนสร้างเจดีย์ห้าเหลี่ยมเนี่ยนะสร้างเจดีย์ห้าเหลี่ยมแล้วถ้าเหลี่ยมใดเหลี่ยมหนึ่งยาวเกินไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็เป็นเจดีย์เบี้ยวนะไม่ใช่เจดีย์ห้าเหลี่ยมละนี่ก็เหมือนการธรรมะทั้งหมดเนี่ยการการพิจารณาหรือการทําปริญญาทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อจะได้ละสิ่งที่ควรละจะได้ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งจะได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญ อการทําปริญญาทั้งหมดต้องตั้งไว้เลยเพื่อละสิ่งที่ควรละเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเพื่อเจริญในสิ่งที่ควรเจริญหรือถ้าพูดบอกว่าถ้าเจริญน่ะสมมตินะเอาคําไหนเอาคําอื่นมาอธิบายได้หมดเลยถ้าจะเจริญก็เจริญเพื่อกําหนดรู้เจริญเพื่อละเจริญเพื่อทําให้แจ้งถ้าละล่ะก็ละเพื่อทําให้แจ้งละเพื่อเจริญละเพื่อรอบรู้ เพราะฉะนั้นเ อ, เอาคำใดคำหนึ่งมานะในสี่คเนี่ยอธิบายกันเองได้หมดเลยเพราะคือสิ่งเดียวกันเพราะคือสิ่งเดียวกันถ้าเข้าใจเรื่องนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นพยายามมากของมาจึงจึงเอามาพูดบ่อยจริงๆคือเช่นจักครูจกัจกครูสมุ ท, ทยัยจักคูนิโรธจักรครูนิโรธถ้าาม่มีปฏิปทาคุณรู้จักรครูเพื่ออะไรเพื่อละาจาักรครูสมุ ท, ทยัยทำไมคุณต้องละาจาักรครูสมุ ท, ทยัยบอกเพื่อทำจักรคูนิโรธให้แจ้ง แล้วจะแจ้งได้ยังไงก็ต้องเจริญจักขู่นิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้คือความสมดุลกันทั้งทั้งสี่อย่างนะทั้นอริยศาสตร์นั้นพระ อ, องค์แสดงเช่นนั้นจริงๆแต่ถ้าเอาอันใดอันหนึ่งจนเกินไปก็เป๋ละคนี้เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเสียหายละข้อความในสังยุตติกายขันธวรรคคัจฉนิยสูตรคัจฉนิยสูตร คัชเนียเหมือนกับขเาเนะียโพชนี ย, นยก็คือของเคี้ยวะนะของกินของเคี้ยวอะ่ะสูตรที่ว่าด้วยการเคี้ยวการกินเพราะว่าโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากแตลองมันผิดเวลาสักห้าชั่วโมงดูสิคัชเนียะนะสูตรว่าด้วยการเคี้ยวกินณนะกรุงสาวัตถีเปรู้กันว่าที่ไหนเชตาวันคือพระเชตาวันเหมือนกัน ก็มีการสมาคมโมพระพิสูทั้งหลายก็ ม, มาประชุมรวมกันพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายจริงอยู่ใจว่าเป็นสัตว์ไหมความเป็นสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้สําคัญแต่ว่าขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นเมื่อจะตามระลึกเนี่ยระลึกถึงชาดีก็คืออะไรจํานวนมากก็จะระลึกได้ตามลําดับสมนาหรือพราหมณ์ทั้งปวงนั้นก็จะตามระลึกถึงอุปาทานขันห้า หรือขันใดขันหนึ่งในบรรดาขันห้าเหล่านั้นคือถ้าผู้ที่เจริญวิปัสสนาอันนี้เริลึกด้วยวิปัสสนานะีไม่ใช่ระลึกด้วยอภินญาอะไรผู้ที่ผู้ที่เจริญวิปัสสนาหรือผู้ที่ทํายาตะปริญญาเป็นต้นเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเป็นสัตว์ไหมความเป็นสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้สําคัญแต่ว่าขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งโวงหารว่าเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นเมื่อจะตามระลึกเนี่ยชีวิตในอดีตก็คืออะไร ก็คือขันห้าถ้าเราลึกถึงอดีตก็ระลึกถึงขันห้าอันนี้ระลึกด้วยวิปัสสนานะวิปัสสนาก็มีการพิจารณาขันในอดีตว่าอดีตก็คือขันห้าหรือพิจารณาว่าขันเหล่านั้นเป็นขันใดขันหนึ่งในบรรดาขันห้าขันห้ามีอะไรบ้างคือเมื่อจะระลึกก็ระลึกถึงรูปดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้ เมื่อจะตามระลึกถึงเวทนาก็ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีเวทานาอย่างนี้ เ, รเมื่อจะตามระลึกถึงสัญญาดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้เมื่อจะตามระลึกถึงสังขารดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีสังขารอย่างนี้เมื่อจะตามระลึกถึงวิญญาณดังนี้ว่าในอดีตการเราเป็นผู้มีวิญญาณอย่างนี้อัตตกถาอธิบายว่าบทว่าปุเพนิวาสังความว่า ปุเพนิวาสานุสติยานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัดไมายเอาการระลึกด้วยอํานาจอภิญญาก็หาไม่หมายคือว่าไม่ใช่ระลึกด้วยอภิญญานะแต่ตรัสหมายเอาสมณพราหมณ์ผู้ระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนด้วยอํานาจวิปัสนาหมายคือว่าอดีตชาติเนี่ยพ้นขันธ์ห้าไหมอ่ะใครอยู่ในชาติที่แล้วพ้นขันธ์ห้าบ้างไหมก็ไม่มีพ้น ทีนี้ถ้าอย่างที่ถ้าถ้าใครทรงจําพระสุะพระสูตรที่เรียกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าเธอเห็นพวกยาจกคนทานทั้งหลายโคยาจกขอทานทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะเธอพึงน้อมเข้ามาสู่ตัวเธอว่าแม้พระโสดาบันขึ้นไปนะเคยเป็นมาหมดแล้วเว้นแต่ขันห้าในความเป็นพระโสดาบันนะที่เหลือเป็นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดถึงใครเนี่ยมีพ้นขันห้าไหม เพราสมมติเรามองเห็นผู้การแล้วอดีตเราก็เคยเป็นเช่นผู้การมาแล้วก็คือเลือถึงอะไรนะขันห้าในอดีต น, นะเคยเป็นผู้หญิงมาแล้วออาก็ขันห้าในอดีต เ, เคยเป็นไหม เ, <อ>เป็นเคยคนเคยเป็นคนพิการมาแล้วก็คือสัตว์เป็นต้นเราก็คงเคยเป็นตกนรกเคยเป็นนะนะฉะนัะ้นสสแสดงว่าพูดง่ายๆว่าภพสามกำเนิดสี่กติห้าวิ ญ, ญญาณที่ติดเจ็ดนะ วเว้นพระโสดาบันซะเว้นเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนะเคยเป็นมาหมดแล้วเว้นแต่ขันห้าในความเป็นพระโสดาบันนะที่เหลือเป็นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดถึงใครเนี่ยมีพ้นขันห้าไหมเพราะสมองเรามองเห็นผู้การเพราะอดีตเราก็เคยเป็นเช่นผู้การมาแล้วก็คือลึกถึงอะไรขันห้าในอดีตอนะเคยเป็นผู้หญิงมาแล้วอก็ขันห้าในอดีตเคยเป็นผู้ชายมาแล้วเคยเป็นกระเทยมาแล้วเคยเป็นคนพิการมาแล้วก็คือขันห้าในอดีต เพราะฉะนั้นถ้ามองเห็นอะไรก็น้อมไปเถอะว่าเราเคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วเว้นแต่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นนะนะที่เหลือเป็นที่เป็นปุตุชนที่เฝ้าวัดป่าเนี่ยเคยเป็นมาหมดแล้วเอางั้นถ้าเห็นลิงวิ่งจีดๆเขาเคยเป็นมาแล้วเห็นเด็กขอทานมันแย่งเงินเรื่องขนมโอ้ยชาตินี้เราก็เคยแย่งน้องมาแล้วต้องอดีตและชาติแล้วกันนะชาตินี้ก็เคยแย่งน้องมาแล้วอย่างเง้ยนะ พรู้ได้เลยเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละถามว่าในบรรดาเหตุการณ์เหล่านั้นถ้าวิเคราะห์ไปแล้วมีอะไรพ้นขันห้ามีไหมไม่มีก็คือขันห้านั่นแหละคือขันห้าแต่ความวิจิตของขันห้าอะไรจะปานนั้นชอบคำหนึ่งนะเธอจงมาดูโลกอันวิจิตที่อนะโลกอันวิจิตตาการตาที่คนเขลาหมกอยู่ผู้รู้หาข้องไม่โลกอันนี้คือโลกคือสังขารโลกหมายถึงขันห้าขันห้าวิจิตจริงๆเลยนะ เพิ่นท่าพงสรุปประมวลว่านั่นคือรูปนั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันถ้าใครจะคิดถึงชีวิตในอดีตก็นึกถึงแต่ขันห้าไม่มีพ้นขันห้าการแสดงอย่างนี้อัตกถาท่านบอกว่านี่คือประกาศสุญญตาสุญญตาแปลว่าความว่างว่างจากอะไรว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคือถามว่าขันห้าเป็นสัตว์ใช่ไหม ไม่ใช่สัตว์นี้พ้นจากขันท่าใช่ไหมสัตว์อื่นจากขันท่าใช่ไหมขันท่ากับสัตว์คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่สัตว์กับขันท่านี่อยู่ด้วยกันใช่ไหมก็คือเป็นโวหารเอาไว้เรียกขันท่าว่าเออถ้าขันท่าประชุมกันแบบนี้เรียกว่าลิงเจ้าจอยอย่างเงี้ยนะถ้าขันท่ารวมกันไปเรียกมนุษย์เรียกคนเรียกนายกนางขอเป็นต้นเนี่ยนั่นก็คือจริงๆก็ถ้าแยกละเอียดไปแล้วมันก็คือขันท่า แต่มันก็อดเป็นเราไม่ได้เหมือนกันนะพูดไปพูดมานะเมื่อก่อนนะผมเนี่ยไปเที่ยวที่นั่นมารัาไปเที่ยวตรงนั้ น, นอ่ะมันก็เราอีกอยู่ดีน ะ, ะแสดงว่าไอ้พิพิลาศมันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะไม่ค่อยมองว่านั่นคือขันหะทั้งหมดนั่นคือรูปทั้งหมดนั่นคือเวทนาทั้งหมดนั่นคือสัญญาสังขารและบอกไม่ใช่โรงแรมแล้วตกลงโรงแรมก็มีหรือไม่มีมีโดยโวหารคําว่าสัตว์ก็มีจริงโดย ววหานมันชีวิตที่เรียกวใครใครก็ตามใครก็ช่างเธออดีตก็ช่างเธออนาคตก็ตามทีมันก็คือขันห้าแต่มันก็อดเป็นเราไม่ได้เหมือนกันนะพูดไปพูดมานะเมื่อก่อนนะผมเนี่ยไปเที่ยวที่นั่นมารับไปเตี่ยตรงนั้นนะมันก็เราอีกอยู่ดีนะแสดงว่าไอ้พิพัาน์มันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะไม่ค่อยมองว่านั่นคือขันห้าทั้งหมดนั่นคือรูปทั้งหมดนั่นคือเวทนาทั้งหมดนั่นคือสัญญาสังขารและ เป็นยานสาธุขอให้ว่าดจิงนางว่าเธอขอให้ใส่ใจอย่างนางว่าเธอเนี่ยนะผูการกลวง่วงเคียวมาขามป้อมมาใหญ่เตรียมไม่อีกลูกนี้เลยไม่เลุ่มพี่นินาตาเบอันนี้รู้ฐานเตรียมมาขามป้อมมา เที่ยวอมาแพ้อยู่แล้วช่วงนี้คอมันก็ดีแล้วแพ้ก็หมดอะ่ะ <c oughs> อทีนี้ย้อนกลับมาว่าทั้งหมดเนี่ยถามว่าแม้แต่เคียวมะขามป้อมคืออะไรอ่านะลิ้นกับรถเป็นอะไรขันรั่ประขันชิวหาวิญญาณเป็นวิญญาณละขันอร่อยไหมสุกอะไรมะขามป้อมรถรถดีไหมรถนี้ดี พอดีพอดีเลยนะไม่เปรี้ยวเกินตายเป็นต้นหยอดเกลือหน่อยหนึ่งพอดีเลยนเนต น, นาเวทนาโสมนัสเวทนานโสมนัสเวทนาใช่ไหมสัญญาควรเป็นกุศลสัญญาหรืออกุศลสัญญาเป็นกามมสัญญา <c oughs> เจตนาเคี้ยวหนึ่งครั้งเป็นอะไรกายกรรมนี่นะเ <c oughs> กลือนทีหนึ่งก็เป็นกายกรรมให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์โอ้ยอย่าซักมากเลยเดี๋ยว <c oughs> ตัวนี้ก็ต้องหัดมาวิจัยอย่างนี้นะคือจริงๆอาการทําปริญญาคือการวิจัยลักษณะเนี่ยจนรอบทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกทวารอันนั้นแหละคือยาตะปริญญาจนว่าถ้าใส่ใจชีวิตในอดีตก็คือขันห้าคิดยังไงมันก็คือขันห้าอนาคตยังไงก็คือขันห้าปัจจุบันนี้ก็คือขันห้าค้าแยกแยกนะจิตเนี่ยเกิดขึ้นทำจิตตชรุก ไ้ต่องมหาพูดภายนอกให้มันเรียบร้อยจะได้เข็นขึ้นรถนะนะเข็นขึ้นมหาพูดอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าตาว่างจากว่างจากอัตตาว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลนิส ต, ตานิชีวสุญญสภาวะถามว่ามีจริงไหมจริงแต่ไม่ได้ความจริงอันนี้ไม่ใช่ใคร อวิเคราะห์อย่างนี้บ่อยๆเรียกว่าสุญญาตาเห็นความว่างเออไม่มีใครอยู่เลยถามว่าดำรงอยู่ในฐานะว่าแล้วก็มีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะมันหาความเป็นคุณสันติไม่ได้หาความเป็นคุณหมวยไม่ได้หาความเป็นคุณตูไม่ได้ถ้ากล่าวโดยประมัติโดยสภาวะก็มีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เลยเรียกว่าสุญญาตาว่างจาก ว่างจากอัตตาว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลนิสัตานิชีวสุญญสภาวะถามว่ามีจริงไหมจริงแต่ไม่ได้ความจริงอันนี้ไม่ใช่ใคร่วิเคราะห์อย่างนี้บ่อยๆนี่เรียกว่าสุญญาตาเห็นความว่างเออไม่มีใครอยู่เลยถามว่าดํารงอยู่ในฐานะอะไรฐานะรูปฐานะเวทนาฐานะสัญญาสังขารและวิญญาณที่นี้ เมื่อพูดรูปก็ต้องพูดถึงลักษณะของรูปใช่ไหมจึงจะรู้จักรูปอย่างแท้จริงถ้าบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าก็บอกในความไม่มีสัตว์และอันแล้วรูปมีลักษณะอย่างไรเวทนามีลักษณะอย่างไรสังขารมีลักษณะอย่างไรวิญญาณมีลักษณะอย่างไรก็ต้องมาพูดถึงลักษณะของสิ่งนั้นๆเ้ น, นเพ่อเหไรหนอจึงชื่อว่ารูปเพ่ออะไรจึงเรียกว่ารูปเพราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปสลายไปเพราะอะไรเพราะ เพราะสลายไปเพ่าหนาวบ้างร้อนบ้างหิวบ้างระหายบ้างสัมผัสแห่งเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างแต่สมัยนี้เพิมนะ่มอุบัติเหตุบ้างนะพเพิม่มอะไรใชหอุบัติเหตุบ้างเป็นต้นนะนเพราะคําว่ารูปเนี่ยสลายแน่เมื่อใดเนาะจะเห็นรูปว่าเป็นรูปสักทีหนึ่งเมื่อไใดเนาะจะเห็นรูปโดยลักษณะของรูปสักทีหนึ่งก็คือเห็นรูปโดยลักษณะของรูปก็คือสลายไปกล้าคิดจริงหรือเปล่าว่ารูปนี้สลายไป ไม่โดยเฉพาะลูกหลานเราเป็นต้นเนี่ยนะส่องกระจกบอกเออเนี่ยูปจริงเลยนะสลายแน่สลายแน่นะถ้าอย่างนี้ก็ใช่เลยใช่เลยนี่เราว่ารู้จักลักษณะของรูปเพราะคำว่ารูปแปลว่าสลายไปเนี่ยนะสลายไปอะไรบ้างสลายตาก็สลายหูก็สลายจมูกก็สลายลิ้นก็สลายกายก็สลายสีก็สลายเสียงก็สลายกลิ่นรสโพธาพะเป็นต้นก็สลายจึงเชื่อว่า รูปสลายเพราะอะไรไก็วิโรธที่ปัจจัยหนาวเกินไตก็ตายนะไอ้สลายตัวนี้นะแปลเป็นไ ท, ไทยว่าตายตายแน่หนาวก็ตายร้อนก็ตายหิวก็ตายร้ายก็ตายเลือบยุงกัดมากก็เป็นมาลาเรียาตายเป็นต้นเนี่นะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่มาลาเรียนะมันมีไข้สมองอักเสบยี่ปูตีกันนั่นนะอันยุงกัดมากก็สมองอักเสบตายอย่างเงี้ยถ้ารูปไม่ดี ได้รับความทุกข์ถ้ารูปปานกลางทั่วไปเป็นสเสวยอะไรสายไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่ารูปรูปรูปเพราะเหตุใดหนอจึงเรียกว่าเวทนาเวทนาเพราะสเสวยอารมณ์สเสวยอารมณ์ของเวทนาคืออะไรโดยมากนะอารมณ์ของเวทนาถ้าเราเราทั้งหลายมีอะไรเป็นอารมณ์มีรูปเป็นอารมณ์นนะมีรูปก็สเสวยรูปนั่นแหละสเสวยรสชาติของรูปเวทนาคืออะไรคือสเสวยรสชาติของรูป ถ้ารูปดีสวยอะไรได้รับความสุขใช่ไหมถ้ารูปไม่ดีได้รับความทุกข์ถ้ารูปปานกลางทั่วไปเป็นสวยอะไรสวยอุเบกขาเพราะธรรมชาติที่สวยอารมณ์คือสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอาทุกขมาสุขบ้างเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเวทนาเพราะสวยอารมณ์สวยอารมณ์ เพราถ้าดีใจเมื่อไหร่ก็แสดงว่าได้รับอิทธารมถ้าเสียใจเมื่อไหร่ก็เป็นอนิถารมถ้าเป็นทั่วไปก็เป็นมัชชตารมเพรานั้นก็ดูว่าวันๆหนึ่งเราถ้าใครเครียดบ่อยก็แสดงว่าเป็นคนที่รับรูปที่ไม่น่าปรารถนา ม, มากถ้าใครดีใจบ่อยก็แสดงว่ารับอารมณ์ที่ตัวเองน่าปรารถนา ม, มากถ้าใครเป็นคนเฉยๆก็ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นคน ใช้ใมาอิ India, นเดียนี้อะไรเวทนามากโสมนัสมากนะแต่ถ้าเป็นถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะกุศลไม่เกิดเนี่ยโทมานัสมากนะแต่ถ้าศึกษาพระธรรมนี่ก็ก่อให้เกิดสุขโสมนัสเพราะเห็นทุกข์จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ตามที่เป็นเป็นทุกข์ใช่ไหมผู้พิจารณาเห็นทุกข์เนี่ยไม่ได้เป็นคนมีความทุกข์เลยแต่เป็นผู้ที่มากด้วย ส, วนะสุขและโสมนัสเนี่ยนะสุขและโสมนัสนี่เรามาศึกษาพนะระธรรมนักสบายแต่ถ้ามาประกอบอย่างอื่นนะ นอนหลับหรือเปล่าไม่นอนกายหน้าผากแล้วนะนี่ทุกข์กันนะทั้งที่ทุกข์ก็ไม่กล้าคิดว่านี้มันทุกขนะ์นะนะอย่างงี้นะกล้าคิดไหมไม่ตอนที่มันเครียดเต็มที่เลยนะนี้ทุกข์ผม น, นึกไม่ออกตอนะน่าจะนึกออกนะตอนนั้นทุกเต็มที่ก็น่าจะเห็นทุกขนะ์เนาะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยมันสรุปว่าธรรมชาติของเวทนาคือสวยรสชาติของอารมณ์นะว่าสวยเป็นสุขบ้างสวยทุกข์บ้า ง, างแล้วก็ อุเบกขาบ้างก็ทพ้นให้เห็นอารมณ์ปั๊บรู้ได้เลยใช่ไหมว่าสกุลทุกหรืออุเบกขาเห็นคนที่การปั๊บเนี่ยรู้ได้เลยใช่ไหมว่าควรจะเวทนาอะไรโดยมากควรจะเป็นโทมาัทเวทนาถ้าเห็นสวยมากเลยควรจะเป็นโสมนัทเวทนาถ้าเห็นใครก็หมายรู้ไม่คิดจะเร็วไม่ไม่คิดจะรู้จักด้วยนะก็อุเบกขาเวทนาเพราะธรรมชาติของในสิ่งนั้นถ้ายินดีปันนี้แย่แล้วปันนี้เคยดีใจไปบางอย่างนะ อดีตนะที่เราไม่ซื้อของอันนี้มานะถ้าซื้อมาคงเสียใจเยอะเนี่ยเวทนาเป็นได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมคือสมมนัตและอุเบกขาเวทนาปัญญานี้ประกอบร่วมกับเวทนาสองสภาวะโลเกนะเพรตาสัญญานี่สัญญาตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่เข้าไปเห็นว่าโลกไม่น่าพี่รมชมชื่นเนี่ยนะไม่น่าเข้าไปยินดีอพันกุศลตัวนั้นเกิดร่วมกับเวทนาสองบางครั้งก็โสมนัตบางครั้งก็ อุเบคาเนี่ยนะโอ้ดีนะที่เราไม่ไปยินดีในสิ่งนั้นถ้ายินดีปัณนี้แย่แล้วปัณณ์เคยดีใจไว้บางอย่างนะดีแล้วที่เราไม่ซื้อของอันนี้มานะถ้าซื้อมาคงเสียใจแย่อะไรอย่างเงี้ยคือผู้ที่อเห็นว่าสังขารไม่น่ายินดีเนี่ยนะบางทีก็จะมากด้วยสุขและสมนัตเนี่ยน ะ, ะเมื่อว่าเห็นเห็นของบางอย่างเลยดีแล้วที่เราไม่ทานนะถ้าทานปนนี้ท้องเสียไปแล้วอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนั้นก็เลยเห็นว่าเอน เห็นไม่ความไม่น่ายินดีของสังขาร